สทุตตะกะสุตานิเทศอธิบายทุตตะกะสูตรว่าด้วยเดรธีประทุษร้ายมุนีพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายทุตตะกสูตรดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดรธีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วย แต่มุนีไม่ใส่ใจคํากล่าวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนไหนคําว่าเดรธีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายอธิบายว่าเดรธีเหล่านั้นมีใจชั่วคือมีใจร้ายมีใจเห็นผิดมีใจหลงผิดมีใจขุ่นมีใจขุนเคืองมีใจอาฆาตมีใจอาฆาตแค้นกล่าวร้าย เพื่อกล่าวติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริงรวมความว่าเดรัจฉีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายคำว่าบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยอธิบายว่าพวกคนที่เชื่อถือเดรัจฉีเหล่านั้นกำหนดน้อมใจเชื่อเข้าใจว่าจริงสําคัญว่าจริงเข้าใจว่าเป็นจริงสาคัญว่าเป็นจริง เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นสำคัญเป็นเช่นนั้นเข้าใจว่าจริงแท้สำคัญว่าจริงแท้เข้าใจว่าไม่ผิดสำคัญว่าไม่ผิดจึงกล่าวร้ายคือกล่าวติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริงรวมความว่าบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยคำว่าแต่มุนีไม่ใจใจคากล่าวร้ายที่เกิดขึ้นอธิบายว่า คำกล่าวร้ายนั้นเกิดแล้วคือเกิดขึ้นแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วได้แก่เสียงประกาศจากบุคคลอื่นคำดา่าคำติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริงรวมความว่าคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นคำว่ามูนีในคาว่ามูนีไม่ใส่ใจอธิบายว่ายานท่านเรียกว่า โมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิผู้ที่ประกอบด้วยญาณ น, นั้นชื่อว่ามุนีคือผู้บรรลุโมนยานก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล่องและอันหาดุตาข่ายแล้วผู้นั้นชื่อว่ามุนีผู้ใดใส่ใ จ, ใจคํากล่าวร้ายผู้นั้นก็ใส่ใจคํากล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างคือ หนึ่งผู้กล่าวร้ายย่อมใส่ใจคาว่าร้ายเพราะตนเองเป็นผู้กล่าวร้ายสองผู้ถูกเขากล่าวร้ายถูกเขากล่าวติเตียนย่อมโกรธพยาบาทตอบโต้ทำความโกรธความเคืองความชิงชังให้ปรากฏว่าเราไม่ใช่ผู้พูดผู้ใดใส่ใจคากล่าวร้ายผู้นั้นก็ย่อมใส่ใจคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างเหล่านี้ มูนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งมุนีผู้ไม่กล่าวร้ายย่อมไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายเพราะตนเองไม่ใช่เป็นผู้กล่าวร้าย2มูนีผู้ถูกเขากล่าวร้ายถูกเขาวติเตียนก็ย่อมไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ตอบโต้ไม่ทําความโกรธความเครืองความชิงชังให้ปรากฏว่าเราไม่ใช่ผู้พูด มุนีไม่ใส่ใจคือไม่สนใจไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นคำกล่าวร้ายด้วยเหตุสองอย่างเหล่านี้รวมความว่าแต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นว่าด้วยกิเลสเครื่องตึงจิตสามประการคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นมูนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนๆ ไ, ได้แก่ เพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นภาวะที่จิตถูกโทสะกระทบก็ดีมีกิเลสเครื่องตรึงจิตเกิดขึ้นก็ดีไม่มีแกมุนีกิเลสเครื่องตรึงจิตห้าอย่างก็ดีกิเลสเครื่องตรึงจิตสามอย่างคือหนึ่งราคะสองโทสะสามโมหะก็ดีจึงไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏ หาไม่ได้คือกิเลสเครื่องตรึงจิตนั้นมุนีละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วคำว่าในที่ไหนไหนได้แก่ในที่ไหนคือที่ไหนไหนที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่า เพราะฉะนั้นมูนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนไหนเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเดือดรีบางจำพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยแต่มูนีไม่ใจใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมูนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนไหน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ไปตามความพอใจตั้งอยู่ในความชอบใจพึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าแต่เมื่อทําตนให้เพียรพร้อมรู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้นว่าด้วยทิฏฐิคําว่าพึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าดิรัีมีทิฏฐิอย่างนี้มีความพอใจมีความชอบใจ มีลัทธิมีอัิยาศัยมีความประสงค์อย่างนี้ว่าพวกเราฆ่านางสุนทรีปริภาชิกาแล้วประกาศโทษของพวกสมณะสักยะบุตรก็จะเอาลาบยศสักกระและสัมมาณะกลับคืนมาได้ด้วยวิธีการอย่างนี้พวกเดรถีเหล่านั้นไม่สามารถก้าวล่วงทิฐิความถูกใจความพอใจลัทธิอธัธยาศัยความประสงค์ของตนได้ โดยที่แท้ความเสื่อมยศนั้นนั่นแหละก็กลับย้อนมาถึงเดรถีเหล่านั้นรวมความว่าพึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งผู้ที่มีวาทะอย่างนี้ว่าโลกที่อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะพึงล่วงก้าวล่วงก้าพ้นล่วงพ้นทิฏฐิความถูกใจความพอใจลทัทธิอธิยาศัย ความประสงค์ของตนได้อย่างไรพ่อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาสมาทานถือยึดมั่นถือมั่นติดใจน้อมใจเชื่อทิฏฐินั้นให้เพียรพร้อมอย่างนั้นรวมความว่าพึงก้าวลุ่งทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าอย่างนี้บ้างอีกนหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด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 ล่วงพ้นทิฏฐิความถูกใจความพอใจลทัทธิอัธยาศัยความประสงค์ของตนได้อย่างไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะมาทานถือยึดมั่นถือมั่นติดใจน้อมใจเชื่อทิฏฐินั้นให้เพียรพร้อมอย่างนั้นรวมความว่าพึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าอย่างนี้บ้างคําว่า ผู้ไปตามความพอใจในคำว่ place, fees, ceksin, าผู้ไปตามความพอใจตั้งอยู่ในความชอบใจอธิบายว่าผู้นั้นย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนําไปด้วยทิฐิของตนความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนได้แก่ผู้นั้นย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนําไปด้วยทิฐิของตนความถูกใจของตน ความพอใจของตนลทัทธิของตนเหมือนมนุษย์ย่อมไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปด้วยยานพาหนะคือช้างรถมา้าโคแพะแกะอูดหรือลาฉะนั้นรวมความว่าผู้ไปตามความพอใจคำว่าตั้งอยู่ในความชอบใจได้แก่ตั้งอยู่คือตั้งมั่นติดติดแน่นติดใจ น้อมใจเชื่อในทิฏฐิของตนความถูกใจของตนความพอใจของตนรัติของตนรวมความว่าผู้ไปตามความพอใจตั้งอยู่ในความชอบใจคําว่าเมื่อทำตนให้เพียรพร้อมได้แก่ทำตนให้เพียรพร้อมคือทำให้บริบูรณ์ไม่ให้พร่องให้เลิศประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดอธิบายว่า ทำตนให้เพียรพร้อมบริบูรณ์ไม่ให้พร่องให้เลิศประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดคือทำทัศน์นั้นให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นว่าพระศาสดาพระองค์นี้เป็นจับพันธอยู่พระธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะสงนี้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วทิฐินี้เป็นสิ่งที่เจริญ ปฏิปทานนี้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วมรคนี้เป็นทางนำออกจากทุกรวมความว่าเมื่อทำตนให้เพีย่พร้อมคำว่ารู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้นอธิบายว่ารู้อย่างไรก็พึงพูดคพือกล่าวบอกแสดงชี้แจงอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่เที่ยงรู้อย่างไรก็พึงพูด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 แต่เมื่อทำตนให้เพียรพร้อมรู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้นสิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์เกิดใดไม่มีใครถามก็บอกสิลวัตของตนแกบุคคลเหล่าอื่น สัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นผู้ฉลาทั้งหลายเรียกสัตว์เกิดนั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรมคำว่าใดในคําว่าสัตว์เกิดใดศีลวัดของตนได้แก่ผู้ใดคือผู้เช่นใดผู้ขนขวายอย่างใดผู้ตั้งใจอย่างใดผู้มีประการอย่างใดผู้ถึงฐานะใดผู้ประกอบด้วยธรรมใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร พระรหัสบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามว่าด้วยศีลและวัดคำว่าศีละวัดได้แก่ศีลและวัดก็มีวัดไม่ใช่ศีลก็มีศีลและวัดเป็นอย่างไรเพือพ่อภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายความสํารวมความสังวรการไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทเหล่านั้นชื่อว่าศีลการสมาทานชื่อว่าวัดชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสังวรชื่อว่าวัดเพราะมีความหมายว่าสมาทานนี้ตรัสเรียกว่าศีลและวัดวัดไม่ใช่ศีลเป็นอย่างไรคือทุดงแปดข้อได้แก่ หอารันยุกลังคัทุดงสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัด 2. ปินทปาติกรังคัทุดงสมาทานการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดสปังสุกูลิกรังคัทุดงสมาทานการนุ่งห่มผ้าบังสกุลเป็นวัดสเตชีวริกรังคัทุดงสมาทานการทรงไตรจีวรเป็นวัด 5. สปะทานาจาริกรังคัทุดง สมาทานการเที่ยวบินทบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดหกคราลุปัจฉาภติกลังคัตุดงสมาทานการวฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัดเจ็ 7. เนสัฉิกังคัตุดงสมาทานการนั่งเป็นวัดแปดถาสันติกังคัตุดงสมาทานการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีล แม้การสมาทานความเพียรก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุ ป, ประคองจิตมุ่งมั่นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเถิดผลใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จะไม่หยุดความเพียร แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเมื่อเรายังถอนลูกศรคือตันหาขึ้นไม่ได้เราจะไม่กินไม่ดด่มไม่ออกไปจากวิหารทั้งจะไม่เองกายนอนการสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นตราบนั้นเราก็จะไม่ทำลายบัลลังนี้เลยแม้การสมาทางความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตราบนั้นเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไม่ลงจากลานจงกรมไม่ออกจากวิหารไม่ออกจากเรือนหลังคาด้านเดียว ไม่ออกจากปราสาทไม่ออกจากเรือนโลนไม่ออกจากถ้ำไม่ออกจากที่หลีกเรนไม่ออกจากบูดีไม่ออกจากเรือนยอดไม่ออกจากป้อมไม่ออกจากโรงกลมไม่ออกจากเรือนที่มีเครื่องกั้นไม่ออกจากศาลาที่บำรุงไม่ออกจากมนดบไม่ออกจากโคนไม้เลยแม้การจะมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีล ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจักนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัสทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเช้า ว, วันนี้เองแม้การสมาทางความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจักนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัสทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมในเที่ยงนี้เย็นนี้ก่อนพัดหลังพัด ปฐมยามมาชิมยามปัชชิมยามข้างแรมข้างขึ้นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนปฐมมวัยมาชิมวัยปัชชิมวัยแม้การจมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลคำว่าสัตว์เกิดเต้แก่สัตว์นรชนมานพ บ, บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิด ผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์รวมความว่าสัตว์เกิดใดศีลวัดของตนคาว่าแก่บุคคลเหล่าอื่นในคําว่าไม่มีใครถามก็บอกแก่บุคคลเหล่าอื่นได้แก่บุคคลเหล่าอื่นคือกระจัดพรามแพทยสูตรครหัตบรรปะชิตเทวดามนุษย์คําว่าไม่มีใครถามได้แก่ ไม่มีใครถามคือไม่มีใครไต่าถามไม่มีใครขอร้องไม่มีใครเชื้อเชิญไม่มีใครเลื่อมใสคําว่าบอกได้แก่บอกศีลวัดหรือศีลวัดของตนอธิบายว่าย่อมบอกคือพูดกล่าวแสดงชี้แจงศีลวัดหรือศีลวัดของตนว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้างสมบูรณ์ด้วยวัดบ้าง สมบูรณ์ด้วยศิลวัตบ้างสมบูรณ์ด้วยชาติบ้างสมบูรณ์ด้วยโคตรบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้มีรูปงามบ้างสมบูรณ์ด้วยทรัพย์บ้างสมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้างสมบูรณ์ด้วยหน้าที่การงานบ้างสมบูรณ์ด้วยหลักแห่งศิลปะวิทยาบ้างสมบูรณ์ด้วยวิทยาฐานะบ้างสมบูรณ์ด้วยความคงแกรียนบ้าง สมบูรณ์ด้วยปฏิพานบ้างสมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างออกบวชจากตระกูลสูงบ้างออกบวชจากตระกูลใหญ่บ้างออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์มากบ้างออกบวชจากตระกูลมีโภคะมากบ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศกว่าขหาชและบรรพชิตทั้งหลายบ้างเป็นผู้ได้ทีวรบินทบาทเสนาชนะและคีฬานปัจจัยเพศสัจบริหารบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้างเป็นผู้ทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกถึกบ้างเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดบ้างเป็นผู้เถรบินทบาตเป็นวัดบ้างเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดบ้างเป็นผู้ทรงตรจีวรเป็นวัดบ้างเป็นผู้เที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกเป็นวัดบ้างเป็นผู้งดอาหารมือหลังเป็นวัดบ้างเป็นผู้เถรการนั่งเป็นวัดบ้าง เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดบ้าง <air> เป็นผู้ได้ปฐมฌานบ้างเป็นผู้ได้ทุติยฌานบ้างเป็นผู้ได้ตติยฌานบ้างเป็นผู้ได้จตุทัชฌานบ้างเป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้อากิจ <summary> ัญญาญตนะสมาบัตบ้าง เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตบ้างรวมความว่าไม่มีใครถามก็บอกแก่บุคคลเหล่าอื่นคําว่าผู้ฉลาดทั้งหลายในคําว่าผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกสัตว์เกิดนั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรมอธิบายว่าผู้ฉลาดในขันผู้ฉลาดในธาตุผู้ฉลาดในอยตนะผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ผู้ฉลาดในสติปทานผู้ฉลาดในจัมมะปทานผู้ฉลาดในอิทธิบาทผู้ฉลาดในอินทรีย์ผู้ฉลาดในภละผู้ฉลาดในโภชงผู้ฉลาดในมักผู้ฉลาดในผลผู้ฉลาดในนิพานผู้ฉลาดเหล่านั้นเรียกอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่านี้เป็นธรรมของผู้มิใช่อริยะ นี้ไม่ใช่ธรรมของผู้เป็นอริยะนี้เป็นธรรมของพวกคนพาล น, นี้ไม่ใช่ธรรมของบัณฑิตนี้เป็นธรรมของอสัตบุรุษนี้ไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษรวมความว่าผู้ฉลาดทั้งหลายเรื่กงสัตว์เกิดนั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรมคำว่าสัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นอธิบายว่าตนเองตรัสเรียกว่าตัวเอง คำว่ากล่าวถึงตัวเองเท่านั้นอธิบายว่าย่อมกล่าวถึงคือพูดบอกแสดงชี้แจงถึงตนเองเท่านั้นว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้างสมบูรณ์ด้วยวัดบ้างสมบูรณ์ด้วยศีละวัดบ้างสมบูรณ์ด้วยชาติบ้างสมบูรณ์ด้วยโคดบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล hmm บ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้มีรูปงามบ้างสมบูรณ์ด้วยทรัพย์บ้าง สมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้างสมบ mm ูรณ์ด nah. ้วยหน้าที่กลารงานบ้างสมบูรณ์ด้วยหลักแห่งศิลปะวิทยาบ้างสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะบ้างสมบูรณ์ด้วยความคงแ่เรียนบ้างสมบูรณ์ด้วยปฏิภาณบ้างสมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างออกบวชจากตระกูลสูงบ้างออกบวชจากตระกูลใหญ่บ้างออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์มากบ้าง ออกบวจากตระกูลมีโภคะมากบ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศกว่าขรหัดและบรรพชิตทั้งหลายบ้างเป็นผู้ได้จีวร น, นบิณธบาศเสนาชนะและคีฬานปัจจัยเพสัชบริหารบ้างเป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้างเป็นผู้ทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกรถึกบ้างเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดบ้างเป็นผู้เถอบินธบาศเป็นวัดบ้าง เป็นผู้นุงหอมผ้าบางสกุลเป็นวัดบ้างเป็นผู้ทรงตรจีวรเป็นวัดบ้างเป็นผู้เที่ยวบินธบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดบ้างเป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัดบ้างเป็นผู้เถือการนั่งเป็นวัดบ้างเป็นผู้เถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดบ้างเป็นผู้ได้ปฐมฌานบ้างเป็นผู้ได้ทุติยฌานบ้างเป็นผู้ได้ตติยฌานบ้าง เป็นผู้ได้จตุทัชฌานบ้างเป็นผู้ได้ <ia> อาคาสานัญจาตนาสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้วิญญาณัญจาตนาสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้อากินัญญาตนาสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตบ้างรวมความว่าสัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัส <YouTube> ว่าสัตว์เก e ิดใดไม่มีใครถาม ก็บอกสิลวัตของตนแก่บุคคลเหล่าอื่นสัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นผู้ชลาทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรมสิบแปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วไม่อโอวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้อันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหนในโลกผู้ฉลาทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมว่าด้วยผู้ได้ชื่อว่าภิกษุคําว่าผู้สงบในคําว่าส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วอธิบายว่า ชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบราคะชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบโมหะคือชื่อว่าผู้สงบสงบเย็นดับระงับได้แล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผาดับปราศจากสงบระงับโกทะอุปนาหะมัคขะปลาสะอิสามัฉริยะมายาสาเถยยะ ถามพะสารมพะมานะอติมานะมะัทระปมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความกรวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสังขารทุกประเภทรวมความว่าผู้สงบคําว่าภิกษุอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุ เพราะทำลายทำเจ็บประการได้แล้วคือ 1. ทำลายสักกายยิทิความเห็นว่าเป็นตัวของตนได้แล้ว 2. ทำลายวิจิกกิจฉาความลังเลสงสัยได้แล้ว 3. ทำลายศีลปะตะปรามาตความยึดมั่นในศีลพรดได้แล้ว 4. ทำลายราคะความกำหนัดได้แล้ว 5. าทำลายโทสะความคิดประทุษร้ายได้แล้ว หกทำลายโมหะความลุ่มหลงได้แล้วเจ็ดทำลายมานะความถือตัวได้แล้วพิสุนั้นทำลายบาปอคุสนธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัพพิยะ ผู้ใดควรแก่คำชมเชยว่าเป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วและความเสื่อมและความเจริญแล้วอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นพบใหม่แล้วผู้นั้นชื่อว่าภิกษุคำว่าส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วอธิบายว่าชื่อว่าดับกิเลสแล้วเพราะทำให้ราคะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสแล้ว เพราะทําให้โทสะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสแล้วเพราะทําให้โมหะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสแล้วเพราะทําให้โปทะอุปนาหะมะะัคคะปราสอิสามัชฌิริยะมายาสาเถยยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมาน ะ, ะ, ะ, ะมทะปมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทาง ความระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขานทุกประเภทดับแล้วรวมความว่าส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วคำว่าเราเป็นดังนี้ในคำว่าไม่อ้อวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์ เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคําว่าเราเป็นดังนี้นี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากระ บ, บทหลังเข้าด้วยกันคําว่าไม่อ้วดในศีลทั้งหลายอธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อวดเป็นผู้โอ้วดคือย่อมอวดย่อมโอ้วดว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้างสมบูรณ์ด้วยวัดบ้าง สมบูรณ์ด้วยศีลวัดบ้างสมบูรณ์ด้วยชาติบ้างสมบูรณ์ด้วยโคดบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้มีรูปงามบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายาตนสมมาบัตบ้างพิสุจนี้ย่อมไม่อวดไม่โอ้วดคือเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับความอ้วด มีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่อ้อวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้ว่าด้วยผู้มีอริยธรรมคําว่าผู้ฉลาดทั้งหลายในคําว่าผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมอธิบายว่าผู้ฉลาดในขันฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปทานฉลาดในสมมัิปทานฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในภะละฉลาดในโภชชงฉลาดในมรรคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานผู้ฉลาดเหล่านั้นย่อมเรียบคือกล่าวบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่านี้เป็นธรรมของอริยชนนี้ไม่ใช่ธรรมของอนัริยชนนี้เป็นธรรมของบัณฑิต นี้มิใช่ธรรมของคนพาล น, นี้เป็นธรรมของสัตว์ปุรดนี้มิใช่ธรรมของสอัตว์ปุรดรวมความว่าผู้ชลาทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมคำว่าภิกษุใดในคำว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหนในโลกได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่ากิเลสเครื่องฟูอธิบายว่า กิเลสเครื่องฟูเจ็ดอย่างคือหนึ่งกิเลสเครื่องฟูคือราคะสองกิเลสเครื่องฟูคือโทสะสามกิเลสเครื่องฟูคือโมหะสี่กิเลสเครื่องฟูคือมานะห้ากิเลสเครื่องฟูคือทิฐิหกิเลสเครื่องฟูคือกิเลสเจกกิเลสเครื่องฟูคือกรรม ภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้เพื่อกิเลสเครื่องฟูภิกษุนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคืยยานแล้วคําว่าในที่ไหนนได้แก่ในที่ไหนเคอที่ไหนไหนที่ไรๆภายในภายนอก หรือทั้งภายในและภายนอกคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนๆนในโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้ว ไม่โอ้อวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้อันหนึ่งภิสุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหๆในโลกผู้ชลาทั้งหลายเรียกพิสุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมสิบเก้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลทัทธิใดมีธรรมที่กําหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งเชื่อชูวไว้แต่ไม่ขาวสะอาดเจ้าลัทธินั้นเห็นอนิสงส์ใดในตนอาศัยอนิสงส์นั้นและสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นคําว่าเจ้าลัทธิมีธรรมที่กําหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งอธิบายว่าคําว่ากําหนดได้แก่ การกำหนดสองอย่างคือหนึ่งการกําหนดด้วยอํานาจตันหา 2. การกําหนดด้วยอํานาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการกําหนดด้วยอํานาจตันหานี้ชื่อว่าการกําหนดด้วยอํานาจทิฏฐิคําว่าอันปัจจัยปรุงแต่งได้แก่อันปัจจัยปรุงแต่งคือปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งเฉพาะตั้งไว้ดีแล้วรวมความว่าอันปัจจัยปรุงแต่ง อีกในหนึ่งทำทั้งหลายไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยฝันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าอันปัจจัยปรุงแต่งคําว่าเจ้าลัทธิใดได้แก่เจ้าลัทธิผู้เป็นเจ้าของทิฐิทิฐิหกสิบสองตรัสเรียกว่าธรรมรวมความว่า เจ้าลทัทธิใดมีธรรมที่กำหนดไว้อันปัจจัยปรงแต่งว่าด้วยการเชื่อชูสองอย่างคำว่าเชื่อชูไว้ในคำว่ามีเชื่อชูไว้แต่ไม่ขาวสะอาดได้แก่การเชื่อชูสองอย่างคือหนึ่งการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหาสองการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหา น้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิเจ้าลัทธินั้นยังไม่ละการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหายังไม่สลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิเพราะเป็นผู้ยังไม่สลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจตันหายังไม่สลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิเจ้าลัทธินั้นเที่ยวเชื่อชูตันหาหรือทิฐิไว้คือมีตันหาเป็นธงชัยมีตันหาเป็นยอดธงมีตันหาเป็นใหญ่ มีทิฐิเป็นธงชัยมีทิฐิเป็นยอดธงมีทิฐิเป็นใหญ่คือถูกตันหาหรือทิฐิครอบนำเที่ยวไปรวมความว่าเชื่อชูวไว้คำว่ามีได้แก่มีคือปรากฏหาได้คำว่าไม่ขาวสะอาดได้แก่ไม่ขาวสะอาดคือไม่ขาวไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองแปเปื้อนรวมความว่า มีเชื่อชูไว้แต่ไม่ขาวสะอาดคําว่าอนิสงฆ์ใดในตนในคําว่าเห็นอนิสงฆ์ใดในตนได้แก่อนิสงฆ์ใดในตนทิฏฐิตรัสเรียกว่าตนเจ้าลัทธินั้นเห็นอนิสงฆ์สองอย่างแห่งทิฏฐิของตนคือหนึ่งอนิสงฆ์ที่มีในชาตินี้สองอนิสงฆ์ที่มีในชาติหน้า อ น, นิสงค์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้เป็นอย่างไรคือศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกก็มีทิฏฐิอย่างนั้นคือสาวกย่อมสักการะคุรพนับถือบูชาทำความยำเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและได้จีวรบิณทบาทเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศัดบริขารซึ่งมีศาสดานั้นเป็นต้นเหตุนี้ชื่อว่าอ น, นิสงค์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้ อนิสง์แห่งทิฏฐิที่มีในชาติหน้าเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมหวังผลต่อไปว่าทิฏฐินี้ควรเพื่อความเป็นหน้าเป็นครุฑเป็นยักษ์เป็นอสูรเป็นคนทันเป็นท้ามหาราชเป็นพระอินเป็นพระพรหมหรือเป็นเทวดาทิฏฐินี้ควรเพื่อความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไป จัดทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปด้วยทิฐินี้เราจับหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปด้วยทิฐินี้นี้ชื่อว่าอนิสงค์แห่งทิฐิที่มีในชาติหน้าเจ้าละทินั้นเห็นคือแลเห็นตรวจ ด, ดูเพ่งพินิษพิจารณาดูอนิสงค์สองอย่างนี้แห่งทิฐิของตน รวมความว่าเห็นอนิสงฆ์ใดในตนว่าด้วยสันติสามอย่างคําว่าอาศัยอนิสงฆ์นั้นและสันติที่คําเริกซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นอธิบายว่าสันติสามอย่างคือหนึ่งอจัญตสันติความสงบโดยส่วนเดียวสองตัทังคะสันติความสงบด้วยองค์นั้นๆ สมสมมติสันติความสงบโดยสมมุติอาจารตะสันติเป็นอย่างไรคืออมตะนิพพานเรียกว่าอาจารตะสันติคือทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่จะลาทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทนี้ชื่อว่าอาจารตะสันติตทงังคะสันติเป็นอย่างไร คือผู้บรรลุปถมฌานก็มีนิวรณ์สงบไปผู้บรรลุทุติยฌานก็มีวิตกวิจารสงบไปผู้บรรลุตติยฌานก็มีปิติสงบไปผู้บรรลุจตุทัฌานก็มีสุขและทุกสงบไปผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัติก็มีรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานตสัญญาสงบไปผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัต ก็มีอาการสานัญจายาตนัสัญญาสงบไปผู้บรรลุอาคินจัญญ า, าตนัสสมาบัติก็มีวิญญาณัญจายาตนัสัญญาสงบไปผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญ า, าตนัสสมาบัติก็มีอากินจัญญาตนัสัญญาสงบไปนี้ชื่อว่าตะทางคสันติสมมติสันติเป็นอย่างไรคือความสงบแห่งทิฏฐิหกสิบสองเรียกว่า สมุติสันติอันหนึ่งสมุติสันติพระผู้มีพระภาพทรงประสงค์ว่าสันติในคาถานี้คำว่าอาศัยอนิสงสนั้นและสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นอธิบายว่าอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อสันติที่กำเริบคือสันติที่กำเริบทั่วสะเทือนสันไววันไว กระทบกระทั่งกําหนดแล้วกาหนดทั่วแล้วไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกัรเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าอาศัยอานิสงส์นั้นและสันติที่กลาเริบซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เจ้าละทิได้มีธรรมที่กำหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งเชื่อชูวไว้แต่ไม่ขาวสะอาดเจ้าละทินั้นเห็นอนิสงส์ใดในตนอาศัยอนิสงส์นั้นและสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยเกิเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฐิไม่ใช่กล้าล่วงได้ไง่งายการปรงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นว่ามิใช่กล้าล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้างว่าด้วยความถือมั่นคำว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฐิในคาว่า ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ใช่กล้าวลวงได้ง่า ย, ายอธิบายว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นว่าโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกัน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 อธิบายว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไมิใช่ก้าวล่วงได้โดยง่ายคือก <9 S 1> ้าวล่วงได้โดยยากข้ามได้ยากข้ามพ้นได้ยากก <9 S 1> ้าวล่วงพ้นได้ยากกลับตัวหลีกได้ยากรวมความว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิมิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายๆคำว่าในธรรมทั้งหลายในคำว่าการปรงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมัน่นได้แก่ ในทิฏฐิหกคำว่าปลงใจแล้วได้แก่ตกลงใจแล้ววินิจฉัยแล้วตัดสินแล้วชี้ขาดแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วคำว่าถือมั่นได้แก่จับมั่นยึดมั่นถือมั่นรวบถือรวมถือรวบรวมถือในความยึดมั่นทั้งหลายคือความถือ ความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อว่าข้อนี้จริงแท้แน่แท้จริงตามเป็นจริงไม่วิปริตรวมความว่าการปรองใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นคําว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชนเรีกแก่เพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้น เพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นคําว่านรชนได้แก่สัตว์นรชนมานพบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คําว่าในความถือมั่นเหล่านั้นได้แก่ในความถือมั่นด้วยอํานาจทิฐิเหล่านั้นรวมความว่าเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชน ว่าด้วยการสลัดทิ้งสองอย่างคำว่าย่อมสลัดทิ้งในคำว่าย่อมสลัดทิ้งทำบ้างยึดถือทำไว้บ้างได้แก่ย่อมสลัดทิ้งเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งสลัดทิ้งด้วยการตัดสินของผู้อื่นสองเมื่อไม่สําเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเสียนอรชนสลัดทิ้งด้วยการตัดสินของผู้อื่นเป็นอย่างไรคือผู้อื่นตัดสินว่า ศาสดานั้นไม่ใช่สัพพันย์อยู่ทำไม่ใช่ทำที่ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐิไม่ใช่สิ่งที่เจริญปฏิปทาไม่ใช่ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักไม่ใช่ทางนําออกไปจากทุก์ความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปในทิฏฐินี้ไม่มี ในทิฏฐินี้สัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหรือหลุดพ้นไปไม่มีทิฏฐินี้เลวซามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าเล็กน้อยผู้อื่นย่อมตัดสินอย่างนี้นรชนที่ถูกตัดสินอย่างนี้ก็สลัดทิ้งาศาสดาสลัดทิ้งธรรมที่าศาสดากล่าวสอนสลัดทิ้งหมู่คณะสลัดทิ้งทิฏฐิสลัดทิ้งปฏิปทา สลัดทิ้งมักนรชนชื่อว่าสลัดทิ้งด้วยการตัดสินของผู้อื่นเป็นอย่างนี้นรชนเมื่อไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเป็นอย่างไรคือนอรชนเมื่อไม่ทำศีลให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัดทิง้งศีลเมื่อไม่ทำวัดให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัดทิง้งวัดเมื่อไม่ทำศีลวัดให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัดทิ้งศีลวัดนรชนชื่อว่า เมื่อไม่สําเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเป็นอย่างนี้คำว่ายึดถือธรรมไว้บ้างอธิบายว่าโนรชนถือยึดถือถือมั่นศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทาและมักไว้บ้างรวมความว่าโนรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฐิมิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายการปรงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนราชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไวบ้าง